ทองคํา12สองตันสุขสว่างงามสง่าอยู่ในคลังหลวงหลวงตาท่านจะมีอายุครบ8ดรอบคือ96ปีในวันที่ส2สองสิงหาคมพุทธศักราช2552นี้ท่านยังดูแข็งแรงเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันถึง9เดือนแต่ละ9ก้าจะช้าลงไปแต่ก็ยังมั่นคง สายตาอย่างชัดเจนดีอยู่มากทุกเช้าหลวงตาจะอ่านข้อความที่มีผู้ส่งมาให้ท่านอ่านประกาศอาทิจำนวนทองคำทั้งหมดที่รวบรวมได้ซึ่งขาดอีกไม่กี่กิโลกรัมก็จะครบ12ตันหรือ 12,000 กิโลกรัมตามที่ท่านคาดหวังจะเอาไว้ให้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเกื้อหนุนชาติให้มีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับความหายนะทางเศรษฐกิจ ที่กำลังค่อยๆชอนชัยประเทศอย่างเงียบๆในปัจจุบันเมื่อสิบปีที่แล้วหลวงตาท่านเร่งให้พวกศิษย์ทั้งหลายช่วยกันระดมหาทองคำเข้าคลังหลวงเราต่างพากันเชื่อฝั่งท่านรีบเร่งทำกันทันทีโดยไม่มีการซักถามหาเหตุผลเพราะมีความศรัทธาต่อหลวงตาอย่างที่สุดทุกคนต่างเร่งระดมบอกบุญหาทองคาไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งหลาย ชี้ให้พวกเขาเห็นถึงความตั้งใจดีและความห่วงใยที่หลวงตามีต่อประเทศชาติด้วยจิตใจที่ยึดมั่นในองค์หลวงตาผู้ที่เป็นผู้นำลูกศิษย์ทุกคนเต็มใจฝ่าพงน้ำแห่งความไม่เข้าใจของผู้คนทั่วไปด้วยความหนักแน่นเข้มแข็งได้รับทองคำที่ถูกสละถอดออกจากนิ้วข้อมือคอติ่งหูและหยิบออกจากกล่องหรือกรุสมบัติส่วนตัว ถึงแม้จะเป็นมรดกตกทอดมาก็ตามทองรูปประพันธ์ที่ได้รับมาเป็นกองพืนเนินเทินทึกมีทั้งแหวนกำไลสร้อยคอตุ้มหูกรอบพระและอื่นๆล้วนถวายมาเพื่อร่วมบุญกับหลวงตาระดมเอาไปหลอมเป็นทองคำแท่งบริสุทธิ์นำเข้าสู่คลังหลวงเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยและของโลกที่มีพระอรหันต์เป็นผู้นาให้ชาติพ้นภัยพิบัติจากพิษเศรษฐกิจที่เกาะกินอยู่ ในพิธีมอบทองคําให้กับคลังหลวงณสวนแสงธรรมทองคําแท่งหลายร้อยกิโลก ร, รมัมวางกองอยู่บนโต๊ะหลังจากหลวงตาทําพิธีมอบโดยการประพรมน้ําพระพุทธมนต์แล้วพี่แดงที่หลายๆคนเรียกว่าแดงพันธมิตรได้โ น, น้มตัวลงบนกองทองแท่งพร้อมทั้งกลางสองแขนโอบทองคําทั้งกองด้วยน้ําตาแห่งปีติแม้แรงใจแรงกายของแดงที่ทุ่มเทหามา จะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับทองคำทั้งกองแต่แดงก็ปราบเลืล้มยิ่งนักที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยชาติได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของแม้ว่าจะเปลี่ยนมือไปสู่มือของรัฐบาลแล้วก็ตามไม่เพียงแดงเท่านั้นที่แสดงความรู้สึกนี้ออกมาและหลายคนต่างกรู ก, กันเข้าไปรูปไร้ทองคำที่สุกสว่างเหลืองอร่าม บ, บนโต๊ะด้วยความปราบปลื้มใจไม่แพ้กันเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วอดไม่ได้ ที่จะหลั่งน้ำตาด้วยความภาคภูมิใจกับบุญที่มีองค์หลวงตาเป็นผู้นำพาดำเนิน